จะเรียนในธรรมชะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลงปูโพธิญาณในวันนี้จะพูดเรื่องสมาสังกปะในข้อที่สองที่เรียกว่าอปยาปาดสังกปะคือความดําริในการไม่อาฆาตไม่พยาบาทหมายความว่าจิตอย่างน้อยที่สุดก็เป็นอโทุศะคือไม่ประทุสร้ายหรืออโกทะคือไม่โกรธ แต่วความตราหนีในการไม่ประทุษรายนั้นก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นต้นนะฮะท่านผู้ฟังลองสังเกตว่ามันอยู่ระดับมโนโสุจริตคือไม่คิดอาฆาตปยาบาดของรายใครแต่โดยปกติแล้วจิตใจเราเวลา เ, ลาเกิดกระทบกระทั่งอะไรกันเนี่ยมันจะคิดลำปาหมออกไปหึกมากมาย ก, ายก่กองอยากได้ทรงแสดงให้เห็นว่า ความโกรธเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความรักก็มีคือบางครั้งบางคราวนี่เป็นเรื่องภายในชีวิตเราเี่แหละแต่วจิตมันตั้งไว้ผิดคือคิดผิดแต่ใช้าอารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลนะเช่นสมมติว่าเพื่อนบ้านใกล้เพืนเคียงกันเราก็ไม่ถูกกันแต่รุ่นลูกนี่เขาเป็นเพื่อนกัน แล้วก็เรียนหนังสือชั้นเดียวกันก็ไปมาหาสุกันและเราเองก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเด็กแต่เพราะว่าไม่ชอบพ่อแม่เขาก็เลยก็ทำให้ไม่ชอบลูกเขาแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับลูกเขามันํามันเรื่องอะไรนั่นคือจิตมันตั้งไว้ผิดมันนอกประเด็นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเด็กเขาจะเจริญเติบโตโลกของเขาในะอย่างอีกนาน แต่ถ้าเราจะตายตามปกติธรรมดาในเราตายไปแล้วนะเด็กพวกนี้ก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะเขาได้เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเขาเรียนหนังสือมาด้วยกันเขาเล่นมาด้วยกันขเนนขารักใคร่กันเขาช่วยเหลือกเกื้อกูลกันนะในขณะนั้นเนี่ยเราก็จะตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยแต่เพราะว่าคนมันมีโมหะอยู่ภายในใจก็จะมีคิดไกลขนาดนั้นคิดเอาเฉพาะหน้าแล้วก็ใช้แนวอารมณ์ในมากแทนที่จะใช้แนวของเหตุผล มันบางครั้งบางคราวมันก็ออกมาในรูปของว่าคนที่เราเรารักเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวคนที่เรากโกรธทําให้คนที่เรารักนี่ถูกรบกรธตามไปด้วยอันนี้เรียกว่าคว า, ามโกรธที่เกิดมาจากคว า, ามโกรธแต่บางอย่างเนี่ยคว า, ามโกรธไม่เกิดจากคว า, ามรักนะเช่นสมมติว่าเรารักนายกอ และนายขอมาตั้งตัวเป็นศัตรูกับนายกเรา โ, โกรธนายขอเพราะว่าเป็นดัตรูกับนายกซึ่งเป็นเพื่อนของเราแล้วถามว่าได้อะไรมันไม่ได้อะไรมันเอาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าที่ทรงแสดงในรูปความอากาตศวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งของความอาฆาตพยาบาทเนี่ย เรื่องบงังไม่ไม่เป็นเรื่องนะฮะบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นลักษณะของสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องคือเอาของเก่ามาเคี้ยวเรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วเธอเอามาคิดทำอะไรแต่เธอก็ยังคิดเช่นว่าคนนี้เคยทําอันตรายต่อเราคนนี้เคยทําอันตรายต่ อ, อยาพี่น้องของเราคนนี้เคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเ๋ยแม่ทาดีเราก็โกรธเขาทําชั่วเราก็โกรธเขา นั่นคืออาการมันยีเลตที่มันชัดเจนนะมันไม่มีโมหะอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็บางครั้งอาจจะปลาลบเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันแล้วเราก็ไปคิดปรุงปรุงคิดขึด้นมาเองหรือเขาเองอาจจะคิดหรือไม่คิดสมมติว่าเขาคิดก็เป็นเรื่องของเขาว่าเราเป็นมโนทุจริตอยู่ภายในจิตของคนเหล่านั่นเองแต่ก็พูดออกไปก็เป็นวจีทุจริต แล้วก็ทําออกไปก็เป็นกายทุจริตมันเป็นกรรมของเขาเองเราไม่จําเป็นจะต้องไปัำเรื่องมาให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ว่าลักษณะของคนเราผมก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือว่าไม่ได้มองว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปมันไม่ควรจําเป็นอะไรที่เราจะต้องไปทําความชั่วตามเขา เช่นว่าสมมติว่าเขากำํกำลังทําอันตรายต่อเราเนี่ยเราก็หลบหลบช่ไหมไปทำยังไงจะต้องไปทําอันตรายก็ทําไมเขาด่าเราก็ปล่อยเขาดา่าเออแต่ข้าเป็นหอกเป็นแหลนเมื่อกี้เรีกหนึ่งก็หลบๆไปหน่คือบางทงถ้าเรามองมองดูให้ดีเนี่ยคนที่ด่าเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากคือแสดงว่าใจเขาพิการ น, นะนะใจเขาพิการ มีบรมกรนี่มีเขาเรียกปัญญาชนสยามนะฮะเขาวิจารณาจะมาว่าทําเครื่องคือเราอธิบายเรื่องการบวชภิกษณุณีในต่อธิบายตามวินัยชัดๆแต่นะแล้วเวลนี้คนก็อธิบายกันเยอะเลยอธิบายตรงกันทุกคนแหละถ้าคนเคารพหลักกฎเกณฑนะ์เนี่ยเกลก็สัมภาษณ์เนี่ยซื้อพิมพ์ก็ด่าเลยคือเราฟังแล้วเราก็ขำนะคขำว่าสงสาร ตั้งตัวเป็นปรญญาชนชาวสยามแต่ว่าทุกคนต้องคิดอย่างที่ตัวและความคิดคนแก่ก็ไม่เป็นคุณอุปการอะไรต่อสังคมนะสมมติว่าใครใครคิดตามแกบ้านเมืองก็ปวดหมดแต่เป็นเรื่องที่ที่เรามองแล้วเราก็สงสารเขาก็ปล่อยเข้าไปก็อยากด่ากดา็ด่าคือเวลาเนี้ย เ, เวลามีอะไรก็ดา่าเนี่ยมันให้เรานึกถึง คือจำโชภาสิ์ของหลวงพ่อองค์เดงท่านก็บอกแต่มันไม่ใช่ตึงสักวามันมีสี่บรรทัดตั้เดงท่านบอกว่าสักวาม้าเห่าไปตองแห้งเขาแองแองหูผู้เจ้าของเขาทำไมไม่กัดวัดไปตองหรือจะลองเขาเล่นเป็นเหา่าเขาเล่นเป็นเวลาแต่โลกนิดเดียเขาว่าดี มาใดตัวร้ายขบบาทาอย่ากบกอบต่อมาอย่าขึงโทรชนชาติชจวทารุนทษ อ, อย่าโกรธอย่าหน้าบึง้งกอกทอยคือความแล้วในการแสดงก็เห็นได้ว่าถ้าเขาทํามันก็เป็นเรื่องกรรมของเขาเราไม่จําเป็นนะไม่จะต้องจำเป็นจะต้องด่าตอบคนด่าประหารตอบคนประหารพระทุสรายตอบคนพระทุสร้ายเราก็หลบจะกล้าจะหลีกจะก็ได้แต่ว่า ที่ยุ่มเวลาเนี้ยนะฮะเมก่อนมีข่าวอะไรก็ดูข่าวหน่อยก็เรียกว่าย้อนรอยนะเรื่องนี้ก่อนสมัยหลายปีมาแล้วนะนี่ก่อนเนี่ยสิบกว่า ป, ปีมาแล้วนะเอามาย้อนรอยถามมาเอามาทำอะไรมันได้อะไรขึ้นมาบางทีไปพูดถึงมุดบุญเพลงหีบเหล็กสมัยรา้การที่สามนคนมาเป็นล้านๆ น, นะ คนผิดมันก็มีธรรมดาแหละไม่ว่าสังคมไหนก็ตามแล้วก็บุญเพลงหยิบเหล็กมันก็เป็นชาวบ้านมาก่อนมาบวชพระทีหลังนี่ก่อนก็เหมือนกันนะเป็นเด็กมาก่อนแล้วก็มาบวชพระบวชบวชเลนทีหลังซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องไปไปถามันมือนกระลิงเวลาเพื่อนมีแผลแล้วไปถามแผลเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา และนั่นก็คือความคิดของจิตที่ตั้งไว้ผิดเพราะงั้นมันอาจจะมองว่าคนนี้กําลังทําอัน ต, าตรายต่อเราร Dead chicken. คนนี้กําลังทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้กําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราและที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือไปไปคาดหมายเอาในอนาคตว่าคนนี้กําลังทําอันตรายไอยจ้จะอาจจะนะะอาจจะอาจจะเป็นอันตรายต่อเราอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่ survey. น, อน้องของเราอาจจะ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเรศัตรูเราแล้วก็ตั้งตัวเป็นสารไปพิพากษาเขาไปตัดสินเขาไปชี้ผิดชี้ถูกเขาคนอภิญาบาทเนี่ยคือการไม่พยาบาทก็ได้แก่การที่ไม่กโกรธไม่หงุดหงิดไม่รําคาญไม่โกรธไม่ประทุสร้ายไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่จองเวรแล้วก็ทํำยังไงล่ะคือทําใจให้กรอบเป็นเมตตา ผู้กิเลสเหล่านี้มันร้อนเนี่ยนะแต่เมตตาเนจะเย็นเพราะลักษณะสังเกตได้ว่าเมตตานั้นจะมุ่งไปสู่อาการกื้อกูลต่อบุคคลอื่นมันคิดว่าจะทําอะไรทําไปเพื่ออะไรทําไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรคือไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรแต่คิดว่าเขานี่จะได้ประโยชน์อะไรเพราะลักษณะเมตตาจึงเป็นอาการอบอุ่มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาล พุทธนายกย่องจนถึงกับโลกโกปาถมพิกรารเมตตาเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกนะฮะสมเด็จพระมห า, าสมณสรงสรุปจากเมตตาในสังสสุคือโลกเราที่จริงมันดูง่ายอะนะฮะเพียงแต่ว่าคนมันทำไม่ได้เฉยๆเพราะถ้าเรามองโลกกับชีวิตอาตรมาในสำนักเรียนเขาขอร้องนะพวกที่จริงก็พวกลูกสิษอะคือพระใหม่เลยบวชเยอะจังวารวอเนซ้อนกันทั่วนาตะปี เราก็สอนเรื่องเดียวเรื่องธรรมะกับชีวิตหรือชีวิตกับธรรมะกันแล้วแต่ก็จะตั้งมานะเราจะเห็นว่าที่จริงชีวิตกับธรรมะนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงว่าถ้าหากว่าชีวิตมันมีธรรมะเพราะว่าตัวตัวชีวิตมันก็เป็นธรรมะอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ก็ธรรมชาติเป็นธรมนธรมชาติธรรมดา ที่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมนิยามก็อยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมธิตตาคือมันดำรงอยู่อย่างธรรมดาก็มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ก็ธรรมดาของชีวิตแต่มันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้ปัญญาใช้เหตุผลกิเลสพูดยังไงก็พูดไปเถอะก็นับไปตั้งฐานห้านะฮะ แต่เราจะเห็นว่ากิเลสจริงๆก็คือกินล้โลกโกรธลงนั่นเองเป็นกิเลสประเภทคว้าประเภทผลักออกประเภทอุ้มไว้นะฮะคือสรุปแล้วก็จะมีแนวอยู่สามแนวทนทีนี้กิเลสประเภทประเภทพยามาทประเภทโกรธประเภทผูกโกรธประเภทอาฆาตประเภทจ้องเวรอะไรแต่ใดเนี่ยนะฮะก็คือปัทโสะอาจจะเรียกชื่ออะไรได้หลายคือมันเป็นการเรียกตามความเข้มข้นซึ่งยิ่งหย่อนไม่เหมือนกัน แต่ทั้งหมดมันก็เป็นอาการมราโถสัโสทสัทธาตุนะฮะธาตุคือโถสั์พราะเราก็พยายามมองคนอื่นด้วยความเมตตาคือมุ่งดีปรารถนาดีมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายคือตามปกติแล้วมันไม่ค่อยพูดระดับจิตเท่าไรหรอกพูดระดับกายกรร ม, มวิจิกรรม เราเห็นว่าถ้าแนวสังคมเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนว่าไม่ตากายกรรมไม่ตาวจิกรรมไม่ตามโนกรรมคือตั้งจิตปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่เบียดเบียนกันไม่ประทัส้ายกันให้แต่ละชีวิตเนี่ยอยู่ดีมีสุขตามลุนน่มขวนแก่ฐานะของตนแน่นอนว่าคนลงก็เป็นไปตามกาลข่าวว่า แต่ว่าทำอย่างไรว่าในส่วนตัวเราเองสาหรับคนอื่นเนี่ยเราก็ทำอะไรกับเขาเราก็ทำโดยเมตตาพูดอะไรกับเขาพูดถึงเขา่นะเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เราพูดถึงเขาเราก็พูดกันโดยเมตตาตลอดถึงแม้แต่ความคิดเนี่ยก็คิดถึงโดยเมตตา ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่เราจะเห็นถึงลักษณะาทางสังคมเราคือเป็นเรื่องแปลกอะเป็นเรื่องแปลกว่าเวลาพระบวชแล้วก็ไปทำอะไรผิดพลาดกันหน่อยนะแม่แกด่าทอชี้หน้าด่าประจานเลยบันหารุโคดรุนแรงเลยเกิเนถามมาได้อะไรอะเขาผิดไปแล้ว ก็ผิดไปแล้วก็ปล่อยขีดว ง, งความผิดไวเพียงเท่านั้นได้ไหมทำไมเราจะร่วมวงพลยบู์ไปทำผิดกับเขาด้วยอาว้าวสมพศปวพระกอเนี่ยที่สังคมอ่อนไหวมากนี่คือเรื่องเรื่องผู้หญิงกับเรื่องเงินเรื่องผู้หญิงนี่จะจะจ ะ, จะอ่อนไหวมากที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าในด้านของพระวินัยนะฮะในด้านของพระวินัยเนี่ย มันจ ะ, ะวางไว้เป็นสองระดับซึ่งมันผิดสากลเนี่ยระดับแรกก็คือการจุข้านอาจารย์คงคืนการทํา ำ, ำราวไอันนี้ผิดสากลญนะฮะผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลระดับที่สองก็คือเป็นชู้กับผู้ครองของบุคคลเองพอถึงระดับสามแล้วมันไม่ผิดแล้วนะฮะสมรับสากลเนี่ยแต่การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ผิดอะสัตว์โลกสัตว์โลกชั้นกามาวาจรอภูมกกิก็มีเพศสัมพันธ์กัน ทนี้สมมติว่าคนหนึ่งเขาบวชแล้วก็ศีลของเขานะฮะแล้วก็เกิดรักษาไม่ได้เกิดรักษาไม่ได้ไปเกิดมีเพศสัมพันธ์หรือถูกกล่าวหาโดยเฉพาะถูกกล่าวหาว่ามีเพศสัมพันธ์โอ้ยเราจะเป็นจะตายเอาเนะจะเอาให้เป็นให้ตายกันเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะถ้าท่านทําป็นจริงถ้าก็ตกนรกไปก็เรื่องของท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอ啊 แต่ว่าเรามักจะอ่อนไหวในเรื่องนี้นัน้นแสดงเห็นว่าใจเนี่ยไม่เลย ม, มองด้วยพื้นฐานที่เมตตาถ้ามองดโดยพื้นฐานดังเมตตาเนี่ยเขาเขาเล่าว่ามีคนมาฟ้องประรจาการที่สามนะฮะว่าพระไปทำอะไรไม่ตากหรือไม่ได้แต่รับสั่งว่าอย่างไง แต่รับสั่งว่าเจ้ากูจะสนุกของเจ้ากูบ้างช่างเจ้ากูเถอะยบหลักท่านจะผิดหรือจะถูกเป็นเรื่องกรรมของท่านบพประเด็นตรงนี้ยเราจะต้องเข้าใจในกฎของกรรมคือธรรมะตั้งแต่ระดับสิ่ธรรมจัญญาไปเนี่ยเร า, เร า, เ, ราเราต้องยอมรับกฎของกรรมถ้าเราไม่ยอมรับกฎของกรรมเราก็แกวงอย่างเนี้ยแล้วก็จะจับหลักไม่ได้ กรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปที่พระเจ้าทรงสองนใะนเราพิจารณานะว่าคนเรามีกรรมเป็นของมันตนจะต้องไปพุทธผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามมันจะต้องไปพุทธผลกับกรรมนั้นนะนั่นก็คือหลักคือเป็นสูตรเลยทีนี้ตีต่างว่าใครก็ทําชั่วทําดีก็เรื่องของเขาอะ่ะพรมมองเขาด้วยเมตตาแล้วมันจบแล้ว เราเห็นใจเราเข้าใจเราให้อภัยเราอดทนเราอคอยได้ทีนี้สมมติว่านะฮะสมมติว่าท่านไปละเมิดจนถึงก็เป็นประราชิตนะแต่ตั้งก็สกไปายก็จบแล้วยังมีครามหนึ่งที่ก็จะออกกฎหมายอุปถัมภุ้มครองพระพุทธศาสนาเนี่ยสมัยรัฐบาลชว น, นนะฮะ คือคณะกรรมาการการาศาสนาและวัฒนธรรมศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยเขานิมนต์อาตมาไปเป็นที่ปรึกษาแต่ตอนนั้นก็พอดีตัวประธานเนี่ยเป็นอิสลามเขาก็นิมนต์มาแหละแต่ว่าก็ไม่เคยเรียกประชุมไม่เคยนิมนต์ไปแต่พอเขายกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องเอาอาตมาไปที่ปรึกษา แต่ตอนเขาประชุมยกร่างกันเนี่ยเขาไม่เคยได้บอกเลยพอถึงครั้งที่สิบจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีละบอกไม่ได้นะเอาสมาชิมาไปที่ปรึกษาสมาชิาต้องรู้ด้วยนะพวกคุณไปร่างเป็นยังไงมั้และเสร็จแล้วเราก็ไปอ่านรูปโอโหตายเลย คือคนไม่ไปสีภาษาเรื่องศาสนาแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นศรรีลอะไรเป็นวินัยอะไรเป็นกฎหมายอะไรเป็นธรรมชาติเนี่ยมันแยกไม่ออกก็บัญญัติไว้ข้อหนึ่งนะฮะว่าพระภิกษุรูปใดถูกกล่าวหาว่ามีเพศสำคัญกับผู้หญิงเนี่ยคือนอกจากว่าสึกแล้วเนี่ยให้ลงโทษดีฆาปีแต่มาเลยงงเลยว่าเขาประหารแล้วนะ คระเนี่ยเขาประหารแล้วเกษตรเมถุนนีเ้เขาประหารไปแล้วแล้วไปลงโทษอะไรอย่างเก็บอกลงโทษปเกษตรเมถุนบอกไม่ได้หรอกคุณเกษเมถุนนั่นไ ม, ม่ผิดกฎหมายลงโทษอย่างนี้เป็นกฎหมายอาญานะฮะเพียเกพตรเมถุนผิดกฎหมายยังไง ที่เข้าเสพเมทัลนเพราะเขาเป็นพระที่ผิดนะ่ะเพราะเขาเป็นพระแล้วเขาก็ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วคือประหารชีวิตจากความเป็นพระแล้วมันก็จบแล้วเลยไปลงโทษก็ได้ยังไงก็ลงโทษก็ต้องโลโทษคุณด้วยจะเอาอย่างนั้นเนี่ยเห็นว่าจริงๆไม่ใช่สินของเราเลยนะฮะชาวบ้านไม่ได้รักษาสีนระดับนี้แล้วถ้าชาวบ้านรักษาเขาก็ไม่ได้ปรับขาดจากชาวบ้าน นะเช่นว่าอุบาสกและสาสีนุบโสดเนี่ยมีค่าเท่ากันนะฮะมีค่าเท่ากัน เ, นเนช่นไปเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยก็ขาดศีลแต่ไม่ขาดแต่ความเป็นอุบาสกก็ต่อศีลใหม่ได้และสาสีอย่างเดียวกันเนี่ยแล้วทาไมคนหนึ่งจะเป็นตัวตายทาไมคนหนึ่งก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมดานี่คือคือจิตใจที่มัน ขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการมองแล้วเราก็หาเรื่องสร้างบาปให้แกตัวเองอยู่เยอะเลยนะฮะสังคมไทยเนี่ยสังคมพุกเราในไม่น่าเชื่อหรอกก็เรียกอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของตัวเองอย่างเนี่ยอย่างเมื่อคืนวันที่ตะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าจะเอาย้อนรอยของเรื่องของนิกรอนนะฮะรู้สึกว่าคืนวันที่ยี่สิบห้า พิษภาคมเนี่ยลืมช่องไปแล้วนะเขาไปเจอข่าวกันมาแล้วก็ยกมาเป็นตัวอย่างเอาตัวอย่างมาดูว่าจะร้อนร่อยนึกว่ามันมันมันได้อะไรขึ้นเขาก็ติดคุกตอนนี้ก็ออกจากคุกแล้วแล้วก็เป็นความผิดในเรื่องเกลียกระทางเพศมนุษย์เนี่ยสามัญเนี่ยมาสามัญมนุษย์เนี่ย คือถ้าเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ทําอ่ะเราไม่ไปซับเติมเพราะจริงๆศีลขนาดนี้เรารักษาไม่ได้เหมือนกันแต่ท่านรักษาได้มาตั้งนานแล้วมาเกิดพลาดเนี่ยคือถ้าเรามีเมตตาเป็นฐานเนี่ยเราจะให้จะเห็นใจจะให้อภัยจะทํายังไงได้เราคนเรามาหกล้มหกลุกกันได้สีเท้ายัางรู้พลาดนักปา่ายังรูปร่างเราก็ไม่ต้องทาบาปอะไร ใจก็อยู่ที่อุเบกขาแล้วก็เป็นไปตามกรรมเขาเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เห็นไหมว่าจิตมันจะเปลี่ยนพลาะะ น, นเมตตาเนี่ยเป็นจึงมีลักษณะคกือกูณแล้วจะไม่ไปซ้ำเติมใครหรอกสมมติว่าเขาประสบความทุกข์ประสบปัญหาประสบการเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุเราก็เกิดการุณานะ ถ้าเราเมตตาเขาแล้วชิดเราจะเปลี่ยนเป็นเกลูณาแล้วจะเปลี่ยนเป็นธรรมะทีนี้ถ้าหากว่าเขามีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จอะไรหรือจะเกิดมุทิตาเกิดชื่นชมยิน ด, ดีก็ครับเห็นไม่ใจะเย็นตลอดเลยทีนี้บางทีเนี่ยมันนอกวิสัยอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็มองในแง่ของกรรมเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขา เราซ้ําเติมเขาก็ไม่ได้เพิ่บาปอะไรให้เขาหรอกมันเพิ่มบาปไปเราคือเขานั้เสร็จไปแล้วก็ทํานั้นน่ะนะจะอย่าลืมว่าพวกเหล่านี้เมื่อศึกออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามอะไรมาขุนนิพพานอะไรแต่บรรลุมะผลเป็นประหารไม่ได้แต่นั่นเองเขาเจริญศีลเจริญสมาชิได้นะฮะปัญญาบางระดับเขาก็เจริญได้แต่ต้องศึกออกไปต่นนั้นเองก็ไม่ได้ว่าอะไร อั น, นี้มันเป็นก็เรียกว่าเป็นปรรณติวัชชะคือมีโทษตามบทบัญญัติของพระวินในในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวกับคนทั่วไปโทษที่เรียกว่าเป็นโลกวัชชะที่ชาวบ้านชอบออกมาพูดกันเนี่ยชอบพูดพูดนะักฮะโลกวัชชะชาวบ้านตีเตียนชาวโลกตีเตียนเอานนยายชาวโลกตีเตียนก็ตายแล้วคนไม่ต้องทําอะไรแล้ะเขาไม่เอานนยา ย, ยาขนาดนั้นนะฮะเขามีเกณฑ์มาตฐาน โลกจะติเตียนได้ก็ในกรณีที่เป็นอายา ก, กรรมแต่นั่นเองถ้านอนนั้นโลกไม่มีสิทธิตเตียนนะเจนเนสมบูว่าพระกินข้าวเย็นเนี่ยจะโลกไม่มีสิทธิตเตียนก็ชาวโลกก็กินน่ะเป็นศีลของท่านน่ะเป็นศีลของท่านสมัยอันมาเป็นเด็กยังนึกถึงหลวงตาองค์หน่งมีพระบวชใหม่แล้วเขาก็ศึกไปกลางวันษา ก็เรียกว่าแหกสาแหกพันสาก็แหกสาภาษาใต้เนี่ยก็เรียกแหกสาเคยแหกพันสาหลวงปูง่คนหนึ่งท่านว่าแล้วมันเรื่องอะไรของมึงอ่ยหลวงปู่ท่านเป็นผู้เท่าเลยท่านพูดมึงกูอ่ะแล้วเรืองอะไรของมึงอ่ะพัษาของแกคือไมไ่เกี่ยวอะไรคนอื่นเลยนะอันนี้คือการฝึกปรือการปฏิบัติธรรมานี่ยอย่าขาดทุนอย่าทําตัวเองให้าขาดทุน แต่ว่าต้องพยายามอย่างน้อยที่สุดได้เสมอตัวไว้เพราะเมตตาจึงเป็นคุณธรรมหลักและเราก็จะเจอบ่อยนะครเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสรรพชีวิตถ้าเรามองเขาด้วยความเมตตาหรือด้วยความไม่ตีหรือด้วยความเป็นมิตรได้เนี่ยอย่างอื่นมันก็ป้องกันปัญหาไปได้เยอะต้องฟังเท่าไหร่แต่เรปาปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไปบูนในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังนั้นหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี